หรือศีลสามร้อยกว่านี่คือศีลของผู้ปฏิบัติธรรมศีลบริสุทธิออ์หรือยังหรือยังขาดขาดเกินเกินอยู่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์จะไปอบรมให้สมาธินั้นสงบได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะดูตนเองในการปฏิบัติ ขั้นตนขั้นต้นต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ก็คือศีลแปดไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติในเรื่องของกวามไม่พูดปดไม่พูดเพอเจอไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสีย ไม่เดิมสุรายาเมาไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูภาพยนตร์ดูมอห์ลฮบันเทิงหรือ ไ, ไปท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิ ง, ทงต่างๆ เ, เที่ยวกัางคืน ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากด้วยเสื้อผ้าอาพรเครื่องนุ่งห่มวิจิตรพิสดารเสริมความงามเสริมด้วยการทำเเผาทำผมทำหน้าทำตาใช้น้ำมันใช้น้ำหอมต่างๆและไม่นอนบนโซฟาหนาๆนอนบนเตียงใหญ่ๆ นี่คือศีลขั้นต่ำของผู้ปฏิบัตินก็คือศีลแปดเหมาะ ก, กับผู้ที่คองเรือนที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาที่จะนำมาไปปฏิบัติถ้าเป็นนักบวชสา ม, มเณรก็จะถือศีลสิจะเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือการไม่แตะต้องเงินทองส่วนศีลข้อเจ็ดก็จะเป็น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 สีนติกสุนีก็สามร้อยกว่าข้อนี่คือสิ่งที่จะมาสนับสนุนเนื้ออบรมให้มีสมาธิเกิดขึ้นมาสมาธิที่ได้รับการอบรมด้วยสีนย่อมมีอ น, นิสงส์มากย่อมมีประโยชน์มากเพราะจะสามารถนำเอาไปอบรมปัญญาได้อี ก, อกขั้นหนึ่งนั่นเอง ขั้นแรกต้องมีสมาธิขั้นที่สองขั้นแรกต้องมีศีลศีล8ปดศีลสิบศีลสองยเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่าข้อต่อจากนั้นเมื่อมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็จะมาเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธินี้ก็มีอยู่สองระดับ ระดับแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิระดับที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาคณนิกะสมาธิก็คือความสงบชั่วเดียวเดียวซึ่งนักจะเป็นผลของผู้ที่ปฏิบัติใหม่ใหม่ใหม่ๆนี้จะได้คณิกะสมาธิก่อนจิตจะรวมลงสั้งอยู่ไม่นานแล้วก็จะถอนออกมา เนื่องจากกำลังของสติที่ควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบนั้นยังมีกำลังไม่มากพอก็เลยอยู่ได้เพียงเดี๋ยวเดียวแล้วก็ถอนออกมาต้องพัฒนาจากคันิกาสมาธิให้ไปเป็นอปปนาสมาธิก็คือต้องเจริญสติให้มากยิ่งขึ้น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 ดูลมหายใจเข้าออกไม่จำเป็นจะต้องใช้พุโทโธคำกับกับคำกับการดูลมหายใจเข้าออกสามารถแยกกันได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะบางเวลาอาจจาเป็นที่จะต้องมีการบริกรรมให้ถี่ขึ้นก็จะไม่สามารถที่จะผูกคำบริกรรมไว้อยู่กับลมหายใจได้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 หรือถ้าอยากจะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ต้องไปใช้พุทโธให้เข้าดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวลมหายใจเข้าก็รู้ว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ากําลังหายใจออกทําเท่านี้เพียงแต่รู้ว่าตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นไหนลมอยู่ในขั้นไหนอยู่ขั้นเข้าข้างในหรือขั้นออกข้างนอกลมหายใจเข้าลมหายใจออก และดูลมก็ดูตรงจุดที่มันสัมผัสกับร่างกายจุดที่มันสัมผัสกับร่างกายก็คือบริเวณปลายจมูกหรือเหนือลิ้นฟีปากขึ้นมาก็ให้ดูตรงจุดนั้นหรือบางสํานักก็ให้ดูที่ท้องที่หน้า อ, อกเวลาลมเข้าก็จะพองเวลาลมออกก็จะยุบที่เรียกว่ายุบหนอพองหนอ การดูลมนี่ไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องพูดยึบหนอะไม่ต้องพองเนอะให้รู้เฉยเฉยรู้ว่ายุบรู้รู้ว่าพองรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกไม่ต้องเข้านออหนอะออกเนอะให้รู้เฉยเฉยให้รู้ว่าตอนนี้กําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วลมหยาบหรือลมละเอียดลมหายใจสั้นหรือหายใจยาวลมหายไปเลยก็ให้รู้ว่าหายไป ไม่ต้องตื่นตอนกไม่ต้องตกใจไม่ต้องปรุงแต่งไปคิดว่าไม่มีลมหายใจแล้วเดี๋ยวเราจะตายถ้ามีการรับรู้อยู่อย่างต่อเนื่องนี้ไม่มีวันตายไม่มีใครตายจากการนั่งอานาปนสตินั่งดูลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าไปวิตกแล้วจะไม่ได้รับผลจากการนั่งอานาปนสติจิตจะไม่รวมเพราะ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 มีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ <S 2> <S 2> <S 2> ผู้ที่ได้พบกับสมาธิแบบนี้แล้วจะมีความสุขมากจะมีความพอใจมากจะมีความยินดีมาก ต่ไม่อยากได้อะไรจะอยากได้ความสงบนี้เพียงอย่างเดียวพอออกจากความสงบมาแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองความสงบต่อไปในเบื้องต้นถ้ายังไม่ชำนาญในการประครับประคองรักษาความสงบก็ให้เจริญสติต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วอยากไปคิดตรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆ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 ปัญญาที่ไม่มีสมาธินี้จะไม่มีอนิสงส์จะไม่มีประโยชน์เพราะไม่สามารถที่จะทำจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ปัญญานี้มีอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าสุตตะมยัปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างที่เรากำลังฟังอยู่ขณะนี้ <c oughs> เรียกว่าสุตตมยัปัญญา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 มีจิตที่สงบจิตที่ได้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจิตที่ได้อัปปนาสมาธินี้<ม>เวลาออกจากสมาธิมานี้จะไม่เหมือนกับจิตของผู้ที่ไม่มีอัปปนาสมาธิความเย็นความความสุขความแน่วแน่มั่นคงนี้ต่างกันถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับก้อนหินกับปุยนุ่นปุยนุ่นนี้เวลาถูกลมพัดเบาๆมันก็ปลิวไปล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 มีสมาธิและไม่มีสมาธิเวลาออกจากสมาธิม า, ามแล้วแล้วจิตที่มีสมาธินี่แหละที่จะสามารถที่จะสนับสนุนปัญญาเวลาปัญญาพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นอนิจจเห็นว่าเป็นอนัตตาก็จะสามารถบอกให้จิตให้ปล่อยวางได้ให้ละอุปทานได้ให้ละตัณหาความอยากได้ พอละได้จิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกได้นี่คือเรื่องของขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต้องปฏิบัติให้เป็นขั้นเป็นตอนไปเหมือนกับการศึกษามีทางโลกก็ต้องมีจุดเริ่มต้นเริ่มต้นที่การเรียนกอไก่ขอะไข่นับหนึ่งสองสามไปก่อนถึงจะเรียนวิชาอื่น ที่จะตามมาต่อไปได้ถ้ายัางเลีย้ยงกอไก่ขอไข่ไม่ได้ยังนับหนึ่งสองสามไม่ได้จะไปเขียนจะไปอ่านอะไรก็อ่านไม่ได้จะไปบวกลบคูณหารก็จะทําไม่ได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีขั้นตอนของการปฏิบัติจึงควรที่จะตรวจตราดู ว่าตอนนี้ตนเองได้ปฏิบัติอยู่ขั้นไหนแล้วได้ศีลหรื อ, อยังอรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์หรือยังรักษาได้กี่วันเวลาเริ่มต้นนี้ก็อาจจะรักษาได้เพียงวันเดียวคือศีลแปดเนี่ยหรือเวลาไปอยู่วัดก็อาจจะไปรักษาศีลแปดกันทีละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างแต่พอกับบ้านก็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 ดังนั้นการปฏิบัติควรจะปฏิบัติตามขั้นตามตอนอย่าไปคิดว่าการเจริญปัญญานี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าได้ได้บุญมากที่สุดก็เลยทิ้งบุญคือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิน้่งมัวแต่ไปทุ่มอยู่กับปัญญาเพียงอย่างเดียว ถ้าเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาแบบฟุ้งซ้างไม่ได้เป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้ถ้าดับได้มันก็ต้องบรรลุไปนานแล้วจเจริญปัญญามากี่กปีแล้วกี่วันแล้วถ้าเป็นปัญญาจริงๆนี่เจ็ดวันเขาก็บรรลุ ก, กันแล้วนี่คือสิ่งที่ พอปฏิบัติทั้งหลายควรที่จะคำหนึ่งถึงทำเป็นขั้นเป็นตอนทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพน้น น, นีน่คือสี่ขั้นตอนขั้นที่หนึ่งก็คือศีลขั้นที่สองก็คือสมาธิขั้นที่สามก็คือปัญญาขั้นที่สี่ก็คือวิมุตติหลุดพน้นดังที่ได้ทรงแสดง ความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกันว่ามีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรสมาธิที่ศีลอบรมได้ดีแล้วย่อมมีอานิสงส์มากย่อมมีประโยชน์มากปัญญาที่สมาธิอบรมได้ดีแล้วย่อมมีอานิสงส์มากย่อมมีประโยชน์มากจิตที่ปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียว จะหลุดพ้นได้ต้องหลุดพ้นด้วยปัญญาจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ต้องมีศีลเป็นผู้อบรมจะเกิดสมาธิขึ้นมาได้ก็จะต้องมีศีลเป็นผู้อบรมจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ก็ต like ้องมีสมาธิเป็นผู้อบรมจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องมีปัญญาเป็นผู้อบรมนี่คือ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 ดูว่าตอนนี้ศีลบริสุทธิ์ได้ยังนักษาศีลได้มากน้อยเพียงไรทําไมการปฏิบัติถึงไม่คืบหน้าทําไมสมาธิถึงไม่สงบก็เพราะว่าศีล8เรามีมากน้อยเท่าไหร่ถ้ามีร้อยละ10 ส, สมาธิก็จะได้แค่ร้อยละ10บถ้ามีห้าร้อยละ50สมาธิก็จะมีได้แค่ร้อยละ50ถ้ามี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 อา น, นิจังทุกขังอนัตตาเชีนที่ผู้เจ้าทรงสอนให้พระอนิมภ์ให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอันนี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีจิตมีสมาธิมีความสงบปราศจากอารมณ์ตัณหาความอยากต่างๆ ถ้ามีตันหาความยากเดี๋ยวมันก็จะแ่บไปหารูปเสียงกลิ่นรสแวบไปหาขนมนมเน่อยแวบไปหาเครื่องดื่มแทนที่จะพิจารณาเรื่องของความตายอย่างต่อเนื่องอเรื่องของความตายก็เรื่องของอนิจจงนี้พิจารณาอนิจจงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย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 ถ้าไม่มีสมาธิจะมาพิจารณาความตายไม่ได้เพราะกิเลสตัณหานี้จะไม่ให้ไปพิจารณาจะให้ไปพิจารณาเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้พิจารณาเรื่องสามีภรรยาเรื่องบุตรเรื่องธิดาเรื่องกิจการต่างๆเรื่องบ้านเรื่องเมืองสุดแท้แต่จะคิด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 ความอยากให้ทุกคนอยู่ไปนานๆก็จะหายไปเมื่อไม่มีความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนอยู่ไปนานๆความทุกข์ก็จะไม่มีเวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคนนั้นคนนี้ตายไปก็จะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเฉยๆเพราะเห็นด้วยปัญญาตลอดเวลาว่าเขาต้องไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปต้องหมดสภาพไปนี่คือ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 ความคินเหล่านี้จะไม่มีในใจของผู้ที่มีสมาธิผู้ที่เจริญปัญญาจะมีแต่พิจารณาอยู่แต่เรื่องของตายแล้งทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนทุกอย่างทำมาจากดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองไม่มีตัวตนในร่างกายในร่างกายนี้มีแต่ดินน้ำลมไฟมีแต่อาการสาสิบสอง ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำสาเหตุน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันก้นน้ำตาเนื้อแมลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดในทางร่างกายนี้ไม่มีตัวเราอยู่เลยไม่มีนายกนายขอไม่มีเด็กชายนั้นเด็กชายนี้เด็กหญิงนั้นเด็กหญิงนี้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 ที่ได้อบรมสมาธิที่ได้อบรมปัญญาที่ได้อบรมจิตให้หายง่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยการปล่อยวางความอยากปล่อยวางอุปท า, านพอเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายเห็นอาหารเลยปฏิกูลณสัญญาเห็นความสกรปรกของอาหารไม่น่ารับประทาน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 ผู้ที่บรรลุธรรมทั้งหลายนี้เขาบรรลุกันแบบนี้ทั้งนั้นไม่เชื่อลองไปฟังเทศของพาอาระอรหันต์ทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ทั้งหลายฟังเทศฟังธรรมของพอระพุทธเจ้าจะไม่มีใครสอนให้ข้ามขั้นตอนจะไม่มีใครสอนให้าขาดรมข้อใดข้อหนึ่งไปมีสอนให้ครบทุกข้อให้ทาให้ครบทุกข้อ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 อันนี้ก็แล้วแต่อาจจะเป็นจริตนิสัยของคนที่อ่อนไหวง่ายมีอะไรมาสัมผัสกับจิตก็ก็ไหลไปตามอารมณ์นั้นๆถ้าไม่เป็นความทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคำถามจากคุณเลดี้ได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 เราพูดปลดหรือไม่พูดปลดก็อยู่ที่ตรงนั้นถ้าถ้าไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงมันก็บาปถ้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริงมันก็ไม่บาป<ม>แต่คนรจะพูดแล้วไม่พูดนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่พูดได้ดีกว่าเฉยๆไว้ไม่ต้องไปวิพากวิจาร์เรื่องของชาวบ้านเขาถ้าอยากจะวิพากวิจารวิพากวิจารเรื่องของตัวเองจะดีกว่า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 หรือเขาไม่ได้ปร a รณาตัวไว้ก่อนถ้าเขาปร a v a าตัวหรือเป็นญาติพี่น้องกันนี้ถ้าพระเดือดร้อนขาดแคนอะไรพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ขอได้แต่กับคนแปลกหน้านี้ห้ามไม่ให้ขอถ้าบินดาบาตก็ให้ถือบาดไปแต่ห้ามพูดขอเช่นตอนบินดาบาตนี้ก็จะเดินถือบาดเข้าไปในระแวกบ้าน แล้วแต่ผู้ที่มีศรัทธาจะใส่หรือไม่ใส่แต่จะไม่ไปเคาะประตูบ้านเรียกชาวบ้านออกมามาแล้วขอนู่นขอนี่หน่อยอย่างนี้เรียกว่าขอทานไ ม, ไม่ได้เรียกว่าเป็นการบินทบาตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระมาขออะไรที่เขาไม่ได้เป็นญาติกับเราและเราไม่เคยปรารถนาตัวนี้การไม่ให้อะไรท่านนี้เป็นการที่ถูกต้อง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 เราเรักษาศิ้นแปดอยู่หรือเปล่าสองดูสติว่าเราหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าถ้ามีศิ้นแปดบริสุทธิ์รักษาได้อย่างต่อเนื่องเราเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องจิตก็จะรวมได้คําถามจากคุณพันลบเวลาเดินจงกรมจะภาวนาด้วยพุทธโธแต่เวลานั่งสมาธิถ้าใช้การตามรู้ลมหายใจ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 ก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆและแม้สมาธิยังไม่มีเหมือนเดิมแต่ใจกลับได้รับความสุขชนิดใหม่เมื่อก่อนละลึกได้บาปนับเป็นเวลานานมากจนเสียสมาธิไม่อยากปฏิบตัติคิดว่าคงไม่ดีไปกว่านี้ตอนนี้ละลึกถึงบุญได้ครับและก็บาปได้ในคราวเดียวกันมันก็เป็นบ้างตอนพิจารณาแต่ตอนบริกรรมหรือสมถะ ก็แนบไปกับใจดีอาการอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับเวลาทําสมถะไม่ควรที่จะคิดเรื่องอะไรจะคิดต้องอยู่ในตอนที่เราเจริญปัญญาถ้าเวลาทําใจให้สงบนี้ไม่ควรคิดเรื่องราวต่างๆควรให้มีอยู่กับอารมณ์เียอารมใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวคําถามจากคุณปีเตอร์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 ก็ต้องไปถามพระที่กขลับบวชดูว่าเขจะรับหรือเปล่าและผมเป็นหนี้ยังไม่ได้ใช้แต่ทำเรื่องผ่อนผันจ่ายหนี้เรียบร้อยแล้วแม่บอกว่าจะจ่ายหนี้ให้ทั้งหมดเพราะแม่เป็นผู้ค้ำประกรันแม่จะขายที่ดินเงินที่ได้จากการขายส่วนหนึ่งแม่จะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวส่วนผมขอส่วนหนึ่งเพื่อขอให้แม่ช่วยจ่ายหนี้ให้แม่ตกลงเพราะผมบอกว่าแม่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 ก็ต้องทิ้งงานทิ้งการไปแล้วก็ไปจะทำยังไงได้จะเอาทั้งสองอย่างได้ยังไงขัดกัน uh huh. ก็ต้องไปเลือกทางเดินของเราว่าเราจะไปทางธรรมหรือไปทางโลกถ้าเรายัางเราอยากไปทางธรรมแต่เรายัางไปทางโลกไม่ได้เออย่ังทิ้งทางโลกไม่ได้ก็ลองทิท้งอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันพระวันพระ เราก็หยุดทํางานสักวันหนึ่งแล้วก็ไปอยู่วันแล้วถ้าเราปฏิบัติได้ผลดีแล้วอาจจะเพิ่มวันเป็นสองวันสามวันไปแล้วต่อไปก็อาจจะทิ้งโลกได้ก็ต้องขยับไปที่เราเล็กเทียรน้อยก่อนไม่จะทําแบบพูดพาดถ้าทําได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้ก็ต้องทําแบบนี้ทําไปที่เราเล็กเทียรน้อยก่อนะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ มีใครอยากจะถามอมีกไหมไม่มีจะให้ทางบ้านที่ติดตามถ่ายทอดสดได้ถามกัน ไ, มไนมะครับครับต่อไปครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับ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 คำถามจากคุณน้องตัวหอมนะครับคือเขามีแมวที่รักมากนะครับแล้วแมวเขาก็ป่วยแล้วเขาก็พาไปโรงพยาบาลแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลก็สิ้นใจก่อนนะครับหนูกับแม่ทําใจลําบากมากค่ะแล้วมันฝังไว้ข้างในบ้านไปทาบุญถวายสังฆทานให้อยากเรียนปรึกษาว่าแมวหนูจะได้ไปเกิดเป็นคนใหม่คะ แล้วบุญกุศลที่เราทำไปแมวหนูจะได้รับไหมคะที่บ้านไม่มีมันเหงามากคะ่ะแล้วแต่บุญบาปที่เขาทำไว้ถ้าบาปที่เขาทำยังไม่หมดเขาอาจจะต้องกลับไปเป็นเดรัจฉานต่อจนกว่าบาปกับบุญที่เขาได้ทำไว้นั้นมีกำลังเท่ากันคือบุญก็ไม่สามารถดิงไปสวรรค์บาปก็ไม่สามารถดึงไปอาบายเขาก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป คำถามจากคุณทวีศักดิ์นะครับการที่เรามีครอบครัวมีลูกหนึ่งคนการที่เราจะก้าวออกมาบวชพระเพื่อจะขจัด ก, กิเลสออกจากจิตการกระทำเช่นนี้ถูกหรือผิดครับก็พระพุทธเจ้าก็มีเรื่องเหมือนกันเนี่ยจะผิดตรงไหนถ้าผิดก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคำถามจากคุณฉัดพิมนนะครับ รูกปฏิบัติมาหลายสายยังหาเจริญ ต, ตนเองไม่เจอต้องทํำยังไงเจ้าค ะ, ะมันไม่ได้อยู่ที่เจริญแล้วมันอยู่ที่สติถ้ามีสติแล้วมันไปได้ถ้าไม่มีสติเปลี่ยนจะเปลี่ยนอะไรไปกชนิดมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีดังั้นต้องพยายามมาฝึกสติวิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีเช่นบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆ หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป้าหมายก็คือให้เราหยุดความคิดปรงแต่งต่างๆให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้จะใช้วิธีไหนก็ได้คำถามจากคุณบีนะครับอยากให้ท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายขอบเขตของศีลและระดับของศีลแต่ละระดับของผู้ประพฤต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 เราต้องมาแก้ที่ความอยากของเราเมื่อเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำให้เสียงนั้นหายไปได้เราก็มาหยุดความอยากของเราเสียว่าก็ปล่อยให้มันมีไปมันจะดังก็ปล่อยมันดังไปเราอยากประหยากให้มันไม่ดังเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจากคุณสิริวันนะครับแม่ทำงานเป็นพนักงานมาสิบปีบริษัทได้มีนโยบาย early ลี่ลีช แต่เคยได้ยินมาว่าเงินที่ได้จากการ Early เป็นเงินไม่ถูกต้องทางธรรมเพราะได้มาโดยไม่ได้ทำงานให้บริษัท ต, ต่อเงินนั้นนำไปทำอะไรก็จะเดือดร้อนจริงเท็จประการใดหรือคะคงไม่คงไม่จริงเพราะเงินเป็นเงินของบริษัทเขาให้รางวัลก่ผู้ที่จะออกจากงานนเป็นเป็นเหมือนกับรางวัลไม่ได้เป็นการขโมยเงินของบริษัท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 ไม่หรอความจริงความเมตตาต่อผู้อื่นนั่นแหละเป็นการเมตตากับตัวเราเพราะเมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็จะได้รับความสุขกลับมาเป็นผลตอบแทนดังนั้นวิธีที่จะเมตตากับตัวเราก็คือต้องเมตตากับคนอื่นนั่นแหละถ้าเมตตากับตัวเรากินของกินคนเดียวเที่ยวคนเดียวอันนี้บันเทิงกาเห็นแก่ตัว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 การเริ่มต้นในการทำสมาธิควรเริ่มต้นอย่างไรดีคะขอคำแนะนำด้วยครัก็อย่างวันนี้เทในฟังก็ต้องรักษาศีลแปดถ้ามีศีลแปดแล้วก็จะมีเวลามานั่งสมาธิถ้าไม่มีศีลแปดมันก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ mm hmm. เช่นไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปกินเลี้ยงได้ไปทำอะไรต่างๆที่อยากจะทำได้เพราะศีลห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามไว้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 อนั่งแบบนกระจอะกินน้ําแล้วนั่งแบบให้มันได้ผลเป็นก่อเป็นกรรมมันก็ต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนอสลับกันเดินกับนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิทํากันเป็นวันวันเป็นเดินเป็นปีนั่นถึงจะได้ผลมันไม่ใช่ได้ง่ายๆหรอกสมาธิขนาดหลวงตาท่านบอกท่านบวชเป็นพระนี่หกปีท่านไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ท่านยังศึกษายังเรียนหนังสืออยู่ พอาว่าจิตเคยรวมเพียงสามครั้งเท่านั้นเองข mm hmm. นานบวชเป็นพระมีศีลสองร้อยยี่บเจ็ดก็มีเวลาแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะท่านก็ต้องไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่ง mm hmm. จิตก็เลยไม่สงบงั mm ้น hmm. แต่เวลาพอท่านออกไปปฏิบัติไดนะ้นะที่ท่านบอกว่ารวมได้อยู่เรื่อยๆเรย mm hmm. พราะมีแต่มีการควบคุมจิตตลอดเวลาควบขึ้นควบ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 อย่างเนี้ยมันถึงจะได้ผลกันถ้ามาทำไปพอฮอมปากอมคอเล่นท่วันเอาทธ่เราเสลิงสองเสลิงอย่างนี้ไม่มีวันรวยถ้าจะเล่นถ้าจะรวยก็มีหน้าตกากท่ก็เทลงไปเลยถ้าไม่รวยก็เจ๊งไปเลยจรู้แล้วรู้รลอดกันคําถามข้อต่อไปจากคุณบุษนะครับอาการเมื่อถึงชาดสีเป็นอย่างไรครับ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 ต่างกับสมัยก่อนที่เป็นยาสูบแต่ไม่ได้มีโทษต่อร่างกายหรือเปล่าคะแบบนี้บุหรี่จะเข้าขายผิดศีลข้อไหนเนื่องจากเป็นการทำร้ายตัวเองและผู้อื่นด้วยไหมคะก็อยู่ที่ว่าสูบมากสูบน้อยถ้าสูบวันละสามซองสี่สองมันก็ตายได้แต่ถ้าสูบวันละสามสี่มวนมันก็ไม่มีผลอะไรร้ายแรงต่อร่างกายงั้นอะไรก็ตาม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 ปริมาณที่ร่างกายรับได้มันก็ไม่มีโทษอะไรมากยังไงร่างกายก็ตายอยู่ดีถ้ากลัวตายก็อย่าไปทาอะไรเลยอย่าไปกินอะไรเลยลว่ากินแล้วเดี๋ยวมันก็มีโทษทั้งนั้นแ่ะทำไมที่ของที่อยากกินไม่ไปพูดถึงบ้างน้าตาลนี่กินกันเยอะเกินจาเป็นเบาหวานเบาหวานนี่ทำให้ไม่มาแค่มันอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรถ้าเราชอบอะไรเราก็ไม่พูดถึงมัน เรื่องที่เราไม่ชอบเราก็พูดถึงมันได้เรื่องที่เราไม่สูบคนอื่นสูบเรากไ็ไปว่าเขาได้เรื่องไหนที่เราทำเราก็ไม่ไปพูดพูดแล้วเดี๋ยวก็ว่าตัวเราเองคำถามจากคุณจีรารุตนะครับวิธีการสวดมนต์ที่ถูกต้องนะครับการสวดมนต์ไม่ต้องออกเสียงได้หรือไม่ได้ดีสิถ้าไม่ออกเสียงได้ก็เป็นเหมือนกับบริกรรมพุทธโธไปนั่นเอง เราจะไม่เหนื่อยเราก็ไม่ไปรบกวนชาวบ้านคำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณวูดดี้นะครับการบรวชนิคถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่จริงหรือไม่ครับแล้วพวกที่มีงานบวชแล้วไปลำหน้านาคเพราะคิดว่าเอาบุญเขาจะได้บุญจริงหรือครับคือการบรวชนี่เป้าหมายก็คือให้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 เนี่ยว่าเป็นการทดแทนบุญคุณที่แท้จริงเพราะว่าถ้าไม่ได้บวชตนเองไม่ได้หลุดพ้นก็จะไม่มีความสามารถที่จะไปสอนพ่อแม่ให้หลุดพ้นได้การบวชแล้วเสร็จนี้มันไม่ได้ทดแทนบุญคุณอะไรมากมายนักหรอกนอกจากทำให้พ่อแม่ดีใจว่าลูกเรายังฝ่ายบุญฝ่ายกุศลไม่ไปอบยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบา ย, ยมุกหรืออะไรต่าง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 ก็เลยเปิดเสียงให้มันนั่นทั้งหมู่บ้านเลย <c oughs> จะได้รู้ว่าบ้านฉันมีงานนะใครอยากจะมาก็มาสมัยก่อนชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นเขาเป็นเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันทุกคนอยู่ร่วมกันทํำเวลามีงานอะรจะมาช่วยกันบ้านไหนทําบุญทุกคนก็จะมาร่วมบุญกันยังเป็นเรื่องปกติที่จะทําแบบนี้ไม่มีใครเพ้าว่าในสมัยนี้สังคมเราบ้านเมืองมันไม่เหมือนเมื่อก่อน คนนีมาจากที่อื่นที่ใกล้ที่ไกลแล้วไม่รู้จักกันต่างคนต่างอยู่พอเรามาจัดงานเปิดเสียงดังคนที่ไม่รู้จักเราเขาก็จะญหญงุดหงิด้องขานใจดังนั้นคนจัดงานก็ควรที่จะรู้จักกาลเทศะรู้จักประมาณรู้จักความเหมาะสมว่าถ้าไปทําอะไรให้รบกวนชาวบ้านก็อย่าไปทําำ ค ำ, คำถามหมดแล้วครับอาจารย์ดีพักเดี๋ยวก็ได้ เ, ออ เ, เดี๋ยวก็มีเข้ามาเมื่อเมื่อวานการเข้าถึงไปแปดแสนสองแล้วครับอาจารย์ปดแสไม่รู้เข้าแบบไหนเข้าแบบทับพีก็แบบนั้นทับพีในหมอ้อแกงข้าปุ๊บออกข้าปุ๊บออกปับ๊บ3 <c oughs> ามวินาทีเลยอ๋ อ, อ, อ, อมีเขาฝากถามว่านน ปีนี้พระจานร์ลงเรื่องัเท่วมาหาเขาเลยลงไหมครับพรจันก็กําลังคิดอยู่เพราะว่าทุกปีจะเดินลงจากบนเขาลงมามีบันไดสองร้อยขั้นเวลาเดินลงมันไม่รู้สึกอะไรหรอแต่พอวันลุงขึ้นมันปวดน่องมากบางทีแทบจะเดินไม่ไหวยิ่งระยะหลังนี้รู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นตามลำดับปีนี้เลยกาลังคิดว่าอาจจะไปรออยู่ที่ตีนบันได แล้วก็เดินแตคิดว่ามันจะยังไม่เลิกตอนต้นก็คิดว่าอยากจะเลิกแต่เราสองจิตสองใจถ้าเราลงมาอยู่ที่ตีนบันไดเดี๋ยวพระรู้เหมือนก็ลงมาหมด <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าไม่ลงเลยก็อาจจะไม่มีแล้วก็จะได้ไม่มีเป็นตัวอย่างอะไรอยากคิดว่าจะลองลงที่จะรอ ท, ที่ที่เชิงบันไดที่ข้างล่าง จะไม่ไม่เดินไอ้บันไดสองร้อสองรอยขั้นนั่นลงมาจะเราอยู่ข้างล่างเราให้พระเข้าลงมาแล้วก็ร่วมเป็นทบบาลกันต่องานเทวที่วันนี้ก็ต่างกับวัดที่อื่นตรงที่วันนะวัดอื่นเ็าจะจัดวันแรมหนึ่งาำแต่วันนี้จะจัดวันขึ้นสิบห้าค่ำจะตรงกับวันพระส่วนวัดอื่นนี่เ็าจะจัดวันหลังวันพระหนึ่งวัน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 บาทเทโวที่วัดยานได้แล้ววันแรมหนึ่ง้ามเขาก็จะใส่ที่วัดที่ใกล้บ้านเขาได้ mm hmm. ก็เลยอยากจะแจ้งให้ทราบความเป็นมาว่าไม่ตรงกับชาวบ้านเขาในในวันตักบาทเทโวต mm hmm. ามธรรมเนียมมันต้องตักวันแรมหนึ่งา่ำ mm hmm. แต่สมัยอยู่ที่บ้านตานี้ท่านจะไม่มีเทโวท่านก็จะตักบาทวันวันขึ้นสิบห้าค่ำวันออกพรรษาวัน วันสุดท้ายของพรรษาก็จะสมัยก่อนที่เราอยู่จะเดินรอบศาลากันสมัยหลังนี่ไม่ทราบว่าทําได้หรือเปล่าเพราะคนมากไม่ได้ทำแล้วจำได้ว่าตอนที่อยู่บ้านตาตอนนั้นจะมีเดินบินทบาทรอบศาลาอยู่สองวันนึงวันเข้าพรรษาแล้วก็วันออกพรรษา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 สักพ่อกระดูกให้เป็นพระธาตุได้งั้นเราจะดูที่ธาตุอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ธาตุกระดูกท่านเป็นพระธาตุนี้เราก็มั่นใจได้ว่าท่านเป็นแน่ๆแต่ถ้าท่านกระดูกท่านไม่ได้เป็นพระธาตุนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเป็นแต่ท่านเป็นในระยะเวลาที่ใกล้ตายก็ได้หรือท่านไม่เป็นก็ได้แต่ท่านจะเป็นไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราหรอ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 ก็คือ <interpret> ม <ations> ีสามีภรรยาเป็นสามีภรรยากันเพราะการเสพนี้มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าอยากจะให้เป็นมนุษย์ก็ต้องแบบผัวเดียวเมียเดียวถ้ามีหลายผัวนี่ก็เรียกว่าเป็นพวกสุนัขไปก็จิตก็ขาดสีนข้อนี้สีนข้อห้าสินห้าเลยใช่ไหมคะก็ผิดแล้วก็ผิดข้อสามนี่้ก็ผิดข้อ เพราะว่าเป็นเหมือนสุนัขสุนัขเขาก็ไม่มีสามีเดียวภรรยาเดียวอย่างช่วงเดือนเก้าเดือนนี้โอ้ตายคืนหมาหอนนั่นคือมันไล่กัดกันมันตามกันในสมัยนี้คนเราก็ไม่มีเดือนเก้ามีเดือนเก้าทุกวันเลยมวดแล้วเหรถ้าไม่มีเราก็จะได้ยุติกันนะ เพราะว่าของจะถามกันมามากจนมันซ้ำซากแล้วฟังจนเบื่อแนละ้วการมีมีแถบข้อนะครับเดี๋ยวไม่ต้องออกใหม่ก็ได้ครับกู ด, ดังเลยครับคุณคุณสุพรรณีนะครับลูกฟังพระธรรมคําสอนของหลวงพ่อตลอดและแอ บ, บสมมุติตนเองเป็นศิษย์หลวงพ่อโดยไม่ได้มากราบด้วยตนเองหรือูปบาบไหมคะัอ๋อเรื่องเป็นศิษย์เรื่องเป็นอาจารย์นี่ไม่ต้องแสดงตัวหรอกแสดงด้วยการประพฤติด้วยการกระทำอย่างเราแสดงธรรมล้วก็เป็นอาจารย์ ส่วนใครฟังก็เป็นลูกศิษย์ไปแค่ น, นั้นเองอใครฟังเล่าไปปฏิบัติก็เป็นลูกศิษย์ใครฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็ยังไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์เต็มที่ <laughs> ยังไม่ครบร้อยถ้าเป็นลูกศิษย์ให้ครบร้อยก็ต้องนํามาไปปฏิบัติถ้าบรรลุผลได้ยิ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์เต็มร้อย <laughs> <laughs> <laughs> ก็มีสามขั้นนะขั้นแรกก็ฟังขั้นที่สองก็ปฏิบัติขั้นที่สามก็บรรลุ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 เรียกว่าพระอรหันตสาวกส่วนพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นพระเป็นพระอรหัน์ด้วยตนเองก็ได้เรียกว่าพระอรหันตสามมาสามพุทธเจ้านี่คือความแตกต่างกันมีพระอรหันสองแบบเป็นพระอรหันด้วยตนเองและเป็นพระอรหรนอันาจากการได้ฟังจากพระพุทธเจ้าอีกต่อห น, นึ่งก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา